บางอันมันว่างขั้นธรรมที่กล ำ, ำลังกำแพตรนี้คยว่างแต่พูดที่ว่ามันว่างจากตรงนั้นถึงนีน่มันไม่ว่างขั้นของธรรมถึง ข, ขั้นมันว่างมากมันเหมือนเราขึ้นยืนบนหัวต่อ เรามองไปนบ้างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อนั้นไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่ออยู่กำงยืนอยู่นั้นยืนอยู่บนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันเองตัวอื่นบ้างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่ก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกดามบ้านช่องมันดาเป็นด้านวัตถุ มันไม่มีในควา ม, มรู้จิตคือมันทะลุไปหมดมว่างแต่ที่ยืนเหลือคือเหนือต่อเหยียบอยู่บนหนอต่อยืนอยู่บนเหนือต่อนัน้ตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ได้ดูตรงนั้นนะนี่เรียกว่าคันของจิตพอมัน ม, ม, มาว่างตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาความจิต ใ, ใจว่างในริยะนี้กับว่างเมื่อก่อนจริงผิดกัน จะก่อนมันว่างแบบั้นว่างนั่นความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเปการฝึกซ้อมปัญญามันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับหายไับแสดงว่าสมมต ม, มันไม่ได้ขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากยิตเป็นผู้สมรูต่หา ภูเขาก็เป็นภูเขาแม่ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบถูกไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองหิดเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหลนั้นแล้ววาดภาพสิ่งเหลนั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมุติอันหนึ่งที่ ทำให้หลวงบริรักษการวาดภาพกำหนดนิมิต ท, ที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างแต่ท่านปากรมีขึ้นมาชั่วขนาดขนาดแล้วดับไปกำหนดขึ้นมาชั่วขนาดดับไปน่าเข้าไปก็หมือนแย้ห้อยดับวาดปากรภาพขึ้นา้าก็ดับดับดับไปพร้อมๆร้อมการแสดงเห็นความสมมุติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิต เป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปดับไปเมื่อมองดูแล้วมีแต่ภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหลับหลงนงาตัวเองมันก็หมดปัญหาไปอีกภาพนึงเพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของกิมันเกิดขึ้นจากกิแล้วมันก็ดับลงไปอยู่ที่จิต ท่านก็เลยย้อนเข้ามาเห็นตัวจิตมาตรานที่เกิดดับนี่มันคืออะไรมันเป็นสมมุติหรือเป็นมีมุตต์อนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมุติโอ้มันไม่ไเป็นมีมุตต์มันเป็นตัวสมมติเราจิต ท, ทั้งดวงก็เป็นตัวสมมุติเพราะมีวิชาที่ยึดตัวสมมุติจนละเอียดยู่ภายใน การฝึกซ้อมถึงมนเเพื่อเบอิกสิ่งที่เกี่ยวข้อ ง, งขันนีออกรูปเวษนาสั่ยาทั้งขานั้งยัแต่และอย่างอาันเป็นจมมันเป็นขั้นธุกกิจต้นร้วนที่มีอยู่กับมีวิชาแท่โดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขั น, น มันแสดงตัวออกมาก็เป็นขันขึ้นซ้ำขัน ข, น ข, นขันต้องปรุงขึ้นมาเพนจะเป็นสัญญาณความกระเพื่อมของกิจออกมาเพืจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิดแล้วมันมันไม่เป็นขันมันก็เป็นกิตาวิชาเห็น่หมบิดช้อมไปปิดช้อมมาค่อยเข้าใจเข้าใจ ด้ามาดูหัวต่อที่มันยังเกลียบยืนนะแล้วที่นี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมดว่างหมดวางหังนั้นทุกอาการใดที่เกิดขึ้นมาม right ันก right ็เป็นทุเรียนขันของสมุติมันแสดงยิ้มแย้มยิ้มแยบความคิดควาปุงเราแน่ใจว่าพระกินาสดท่างก็มีความคิดควาปุงเช่นเดียวกันกับทั่ทั่วไปเป็นทุเรียงว่า ท่นไม่ติดท่านไม่หลงท่านทราบอาการของสมุทัยยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาค่นานทราบจิตผู้ปเป็นเจา้าของก็ไม่ถูอจิตไม่ถือปฏิปทาต่างอานันต่างมีจิตก็ทราบต่างอัน ต, ต่างจริงจิตก็ไม่รบโอนจิตก็ไมหลง เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไ ม, ม่เพื่องความดีใจเสียใจล ก, กลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะรอดหมดแล้วสมมุติจะแยกได้จากความรวมตัวอยู่ออกไปอยู่คุณฑลทิละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงถึงทุกอยา่างแย่รู้ความจริงของตัวเองแล้ว ก็อยู่ตามความจริดของตนจึงไม่ประวักโคงกับสิ่งเหล่านั้นนี่แล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลอยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่านี้ละเอียดสุดขีดละเอียดจนทั้งเลยสั่งทังสมุติไปแล้วเป็นมิม ไม่มีความรู้ของผู้ใดเนือโลกนี้ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งความรู้ประเภทนีจ้จะไม่มีไม่รู้รู้แบบนี้รู้แบบสมมติเรืยอดขนาดไหนก็เป็ น, นเรื่องของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้น ร, รงไหนติดตรงนั้น ไม่เหมือนความรู้เที่ยววเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงสอนสอนทั้โลกรู้ไปเท่าไรก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้โดยความจำความคัาต้นดาวไม่ถอนกิเลสจึงไม่ถลอกเพราะความจํามาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นปัญญาาประจังไม่หยุดไม่ให้ปัญญาไปเห็นความจริง ความจริงกับความจำจิงต่างกันคุณ น, นลูนี่เราอยากเห็นความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็เกี่ยวเนื่องมาจากประยัดที่เคยศึกษาเราเียนมีเกียราาะะาาตารุมาณขาทันตาตัดจูหรืออาการสามสองเป็นต้นเรียนมาใหา้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมา ทีนี้เอาความจริงออกเจส่าคืออะไรตัร้งอยู่ยังไงเป็นสถานที่อยู่ที่เกิดทั้งมันเป็นยังไงรวมาน้าขาทันตาไตโจแต่ละอย่างละอยา่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงแตโจเป็นของสําคัญแตโจมันเป็นหนังที่อันนี้เป็นเครื่องปิดบงังความจริงไว้มากทีเดียว อันเป็นสอนเวนั่นปรจักษเพรียญโตอาการสามสองนี้มีหนังหุง้มอยู่โดยรอบหนังนี้เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลกหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายก็น่ารักใครชอบใจคนท่านไหนตัวชั้นไหนทัหมดความหมายทั้งนั้นพอถ้าหลุดหนังออกแล้วมันเยิ้มไปเรื่อยๆแดงโลดไปหมด ดูได้หลือมีตแต่แมลงวั น, น, นมันจะไปตองให้งความรักความชอบใจจะไปตองไม่ตองเวลานี้ความรักความชอบใจนหะญิงในชายมีอยู่นี่ผมมันตอนอยู่ด้วยหนังนี่เองเป็นสำกัญเพราะหนังเป็นเหัุท่านจึงสอนให้วิจารณาตะโจจากนั้นนันก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่อง อาการเอี่สายลงมาถึงปตะจอแล้วมันก็ซึมชาเข้าไปได้อีกเพียงกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเหมเดียวกับภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาที่จรพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลัง ภายในตัวด้วยความสงบท่านยังสอนสมาธิเป็นขั้นเดิมเลยเพื่อให้จิตสงบก่อนที่จะนาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจนั่นเป็นประวยความหิมหวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นประวยความหิมหวโหยคิดอะไรเพื่อคู่เพืปราศกลายเป็นเส้นยาไปหมดนี่เป็นความเพล่เพล่ไปเสียห่เริมไปเสียแทนที่จะเป็นอัตติธรรมกลายเป็นโรคเพิ่มเข้าไปอีก เป็นการถ่องสมยืนหยัดโดยมุ่งีิตรตัวในขณะที่พี่เจอเพราะมันทะเลสาบายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตนิ้วหวยจิตไม่หาความสงบไม่ได้ฉันสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปราโฮติมาหรือสร้างสร้างปัญญาที่อบรมสมาธิที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมาก คือสมาที่เป็นเครื่องหนุปัญญาได้ดีเหมือนะคนรับทานอาหารดื่มน้ำพลา่านทักผ่อนนอนหลับให้สะดกสบายแล้วทำงานก็ไม่ีหนียวไม่หงุหงืไม่เครียดทางหน้า่างตาทำ ง, งานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเต็มเมเ็มเต็มหมวความฝืนเฉียวกองอานน่ะจิตใจที่ เป็นปเพราะเรื่อความยี้หวยเพราหาความสงบไมนได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน น, นทา่านจึงสอนให้อบรมสมาี่ให้มีความสงบพอสมควรแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทํางานไม่ทะเลาะอะไรได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทําปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนเฉยหนุนให้ปัญญาทํางานได้สะดวกเปื่อง่าย ไอ้ใจสมาธิจะกลายเป็นสัญญาเสเองให้พากันเข้าใจไว้ตรงนี้ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิอถึงห้าปีเต็มๆนั่นหะผมเองคือชำนิชำ น, นานจริงๆใครจะมาโกหกลงสมาธินี้ไม่ได้ว่างนั้นเลยอาฐานที่สุดรลงสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานสมาธิมันแน่นป่นมนภูเขาห่ดอ่า จะว่าอะไรทั้งหมดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะว่าจิตมันเป็นสรรมที่อยู่แล้วฐานของมันเพียงแตล่ละงาปเสนจิตเข้าไปทั้งนั้นมาก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียแต่มัไม่เป็นปัญญาให้มันเปลี่ยนแค่นั้นตุพชาเขาไปเมาเอาอความที่แน่นหนา ม, มันคงรู้อยู่อย่างดิ่งหรือเด่นนั่นว่าจะเป็นนิพพา น, นนี้ละนิพพานอันนี้และจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่อย่รงนั้นไม่ได้ลืม สมาธิมีเป็นเครื่องอารมปัญญาได้จริงแตป่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้สมัยนึ่งอาหารเครื่องทําครัวขนมาไว้เป็นบ้านไม่ทําปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่นั้นแต่สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่ไ่านอกจา ก, จากนั้นเครื่องครัวนั้นก็มาปรุง ตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาก็เำนปดปราะดวกเพราะเครื่องครัวมันมีมนเร้าหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทาลองดูก่อนนะสงบแล้วสงบอีกนั้นอาจจะปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แนวเ น, นี่ย น, นี่เลย ติดสมาธินะ้ะเวลาติดผอนออกมามากระทบสิ่งนั่นสี่นี้ก็เหมือนเราคนที่เกลียวพอออกจากแดดตากฝนทําการทํางานบ้างนี้หน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่าจะนอนเพี้ยคิดเวลาออกมาคสัมผัด ก, กับจุดนั้นสิ่งนี้นนมันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่น จะเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิแขนแน่วมันไม่เนื้อลงอื่นใดเข้าไปเกี่ยวพก็สบายเดียว่าติดสมาธิมีเป็นมาได้เป็นมาแล้ ว, ลวอย่างนั้นพอออกทงด้านปัญญาเราจรึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆริงจริงมันจังแน่นอนไปหมจ่อตรงไหนมัน เป็นปได้เป็นไปรา้เป็นได้ตามใจวังที่เล็ดอยขาดไปเข้าใจทิ่เล็ดประเภทใดทิ่เล็ดนั้นดุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญามันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนั่นแล้วทิ้งหมุนไปอ๋อปัญญานี่เกิดอเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทําให้เกิดี่รู้แล้วจริสมาธิเป็นเครื่องหมุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้อย่าง สมาธิอย่างเชื่าเมื่อจะมีสมาธิและปัญญาเกิดเดียคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเปิดสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้อืถ้าเป็นคิ ป, ปาทัญญานั้นก็กลมคืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีน้ำท่ามยังพูดว่าสมาธิไม่จําเป็นเดินลาดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาด โมที่สุดแต่อดฉลาดมีมากนักเรียนรัดทวนเรียนรัดมันก็นกกมารัดคอจะออจของอย่างเงี้ยหรือรัดทิ้งเก่งกศาสดาได้หรือใครบางคนมาอยากไ้ศินปสมาี่ปัญญาไม่ใช่ศาสตราเป็นใครเะจะจราเก่งกศาสรดราได้เลยเก่งกศาสดาเมื่อก็เลยมัชชิมาศาสนราสอนว่ามเป็นมัชชิมาธนร หาที่พ้าไม่ได้ไอ้เด็พิจารณามาแล้วการพิจารณาให้จริให้ถางเวลาตั้งหน้าต่างตาให้ทําความงงก็ให้มีหน้าที่อนเดียวอยากก็โคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นให้ขีดลงช่องเดียวเหมือนกับหน้าไหลลงช่องเดียวมีกําลังอ่ะมันไม่เป็นหน้าไหลบ่าท่านจะเป็นกังวนกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอยาทํา นี่เคยทํามาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติทางขเราที่ดําเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลําดับทีนี้ถึงเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาเอาพิจารณามันไปบังคับจิตมาพิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผอเมื่อไยแล้งงานไม่ตึงไม่ตึงปัญญาก็จะกลายเป็นชั้นหยาไปทะเละถ้าไหลไปเรื่อย หัดตัวเองให้เป็นคนกินจังย่านิสัยยาหลอกเหลกให้เป็นคนกินตัวเองคุณค่าขอางความกินนี่สูงสุดยกปีนส์ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความกินทาอะไรทจกินเอาจริงออกจังเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายมันอยู่กับติดอยู่กับตัวและร่วมตาย เขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเต็มกันเต็มโลกป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ไหนป่าช้ามีอยู่สถานที่นั้นน้าเว้นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวร่มกลัวตายกลัวปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุเผลของทุกเวทนาอยาหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็น ตัณหาขึ้นมาไงหายหรือมา่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงนี่เป็นมากอย่านั้นแต่คนทำไมเห็นความจริงไม่เรียกปับตัณหา เ, เรียกว่ามัดเรียบคนลงจริงๆด้วยทุกข์มากอะไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนติว้วดูสติยิ่งจ่อยลงไปห้าจุด น, นั้นเทียบเคียงได้ทุกสัดส่วนทุ ก, ท, กที่ตรงไหนอายเป็นทุกแยกๆอันนี้หมุนติวนต้ว หนังเป็นทุกข์เทียบหนังกับทุกข์เหมือนกันไหมหรือใจเป็นทุกข์เอใจกับหนังก็ไปธ น, นานเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกให้มันเป็นอุบายด้วยเทคนิคของเจ้าของแต่ละคนแต่ละคนอุบายการเป็นแต่เพียงชี้แจงให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่จะของจะไปตีแผ่ให้เป็ความเข้าใจาชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้ของขึ้นมาเอง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 หลักการในในวงปัจจุบันมันจะหมุนก็ไป น, นี่เคยได้ ใ, ไใช้เรามันใช้ยากเคยได้ทุกเวทาน า, นา<ม>เนี่ยเด่นทุกทีทีไลรไดกมอบเป็นปร่าปลายกันลงทีไยไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มี พุ่ง ก, กันเันที่ชิ้นเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นอตตาเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอศัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจอันก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดูที่ทุกขเวทนามันมีมันมีสองอย่าง การพิจารณารอบทุกเวทนาดับไปเลยระดับไปขัางร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกเป็นเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัจฉรยิยะเด่นเพียงอันเดียวศักดิแต่ว่าปรากฏเท่านั้นะเราจะพูดเพิ่กว่านั้นไปไม่ได้แล้วร่กษาศักแต่ว่าปรากฏกับอัจฉรยะร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการพลาดก็ ถาผิดากอยู่ที่นั่นที่นี่นั้นมันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริง เ, เวลามันจะถอยตัวมามันก็ทาบเองมีประการคือพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับปเป็นหมดดับอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกัน แต่อย่ า, านะคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่และคนละคนไคาดผิดท่านตระแหน่งฟังก็าตามนิสัยของท่านครูวาจ า, า, า, า, าร์ตระแหน่งฟังอดีตนิสัยเหมือนกันให้เรากําหนดโดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดที่มาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับหน้ า, าปฏิบัติอย่าจะคาดไป็หมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นข้ออภิปรายเกียเก่ยงในการปฏิบัติ ปฏิบติอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาตัวของเราเองมีประการหนึ่เป็นอย่าง น, นีง้ประการที่สองพิจารณาราออเหมือนแล้วทุกขเวทนาเขมีแต่มั น, ม, น ม, มันไม่มีอํานาจอะไรเลยที่มีงมีเขาสักแต่ว่ามีอยู่ท่นั้นเองรู้เป็นเวทนาทุกเวทนาแล้วทุกเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกเวทนา เป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายกเป็นความจริงหนึ่งเทนั้นจิต ก, ก็เป็นความจริงห น, นั้นต่างอันต่างจริจรึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ่งได้อย่างสบายหรือจตายในขนาดนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะมมนสามารถผู้พิจารณาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทําลายจิตใจให้หวันหมายไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี้เป็นประการหนึ่งดังนั้นเราพิจารณามีสองสองอย่างด้วนกัน จะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติธรรมนเองเราไม่ตุงไม่แตกเพราะฉะนั้นจุดตากฏเป็นสองอย่างอย่างโดยหลกธรรมชาติและแต่การเวลาอของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายัางไงมันถึงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งดั บ, บไปหมดเราพิจารณายัางไรมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ไดแต่รอบกันอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจุตได้เลย แม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายส บ, ยสบยทุกเวทนาไม่ข้อแล้วพิจารณาอย่างไรที่เป็นอย่างนั้นนั่น็ือเรื่องของเจ้าของเองแต่จะจะดับหรือไม่ดักไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุทกเวทาจะดับไม่ดับไม่สาคัญ สำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจงนี้เรียวกว่ารู้รอกหละะักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอกเป็นความจริงเด่นชัดหาที่้านไม่ได้ว่าผู้ที่เจ้าท่านบอกทุกครัง้งไอเดียวสัจจะทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองน่ะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเน่ยมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไป แล้วจะเป็นค่านห น, น้าขนิพานวาอยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราเอาดําเนินไปเถอะธรรมะนิธรรมะปฏิปปโนโหติถ้าปฏิบัติทำทุกคนจะทำเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความคินนี่หนีจากนี้ไปไม่พ้นพระ เ, เจ้าจะแท้ก็คือความบริสุทธิ์ที่ความคินภายในจิตเห็นความคินพันส่วนสมมติ โดยตลอดถอดถึงเนื้อจิตก็เป็นความจิเป็นตัวความรู้สึกเป็นตัวนั่นองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนเกี่ยวกับนิพพานานั้นที่นี่นั่นก็เป็นสมมุติขั้นหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติอยากางได้คาดได้หมายเราเคารพทั้งสมมุติสถานที่กาลเวลาของโบส์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแนะผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาโคตรตรงนี้ตรงสำคัญ เห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรเขาพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพุทเจ้ามากน้อยแท่นั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเต็มตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มองอ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ท่านไปนี้ผ่านไปนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัย เป็นอาการวิโคธรรมชาติคือบุญศึกของมูลเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดตกยุติจารไม่ว้าเหวี่ยงพระเจ้าไม่ผ่ า, านไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีผู้แนะนํานอสอนสอนสวาคาทำนั้นแลคือตถาคตแท่องค์ตถาคตแท้ได้แก่ความรู้แจ้งแหจรติงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีอย่างใหญ่ี้ อยไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกแต่เราจะเห็นนั่นีไยมันเป็นโครงจับมันหมุนตัวเป็นเปียวหาความสงบไม่ได้จริงเรียอว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินเพราะไปหาความทุกข์นี่นไม่ไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมนี่เพลินเพลินเพราสันติสุข สุขก็สุขโดยธรรมผิดกันหนึ่มากเราจะไปหลงจิงจอมปลอมกันหน่อยดําดเนินตามหลักที่เจ้าทรงสอนสอนเรื่องนี้เราจะเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิน้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกรีทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกรีทูทีรู้แจ้งเห็นจริง อย่างนั้นและทรงความสุขเปนอย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลฝ่ายฝันกับเขาในคำพูดคำจาจิริยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันสแสดงเพราะเรื่องคงจักทัดขันตัวเองต่างคนต่างทัดต่างผันกันวุ่นไปมาเแย่มันคงจับแย่จิติตไปช้นใเรา ไม่มีอะไรปรผสมยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเ่อเที่ยวความถูกเทียบความผสมสแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมทำดีที่ไหนทำแต่ก็ผิดที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแต่ทําคืออะไรก็คือใจใจเป็นพาฒนาที่เหมาะสมกับธรรมทุกขั้นเป็นอย่างยิง่ให้มีอันใดเสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นพาาัฒนะ ครับลองทำได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ทำเห็นทานอกจากจิตเทํางา้นไม่มีอะไรที่จะทรงทำนอกจากจิดไม่มีอะไรที่จะเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิดอยู่ตรงนี้เราให้ดีความเกิดแเราอย่าไปสงสัยสงสัยอะไรก็เป็นการตัดทอดนศรัทธาความเชื่อคนามใส่ทำให้อ่อนแอ เอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือ ม, มีชาติหรือดูเอาตัวนี้ตัวเราเนี่นี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลย มันยึดมันถือมันจับจองอะไรทัว่วสกุลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดหมายว่าที่เก่าที่ใหม่เป็นไงภูมิก็ว่าเป็นเราเป็นของเร า, า, เาพุกก็ปกรกหนาไหนว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงอืมันตาผ้าฟางไม่มีสติปัญญาเครื่องึ้นใครควรมันึงถือว่าเป็นเราทั้งนั้นอืหนังเนื้อเองก็ดุอาการทั้งสองเป็นเรา แม่สุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราพิจนาคือความหลงทางฝ้าปากของจิตอัานจิตตพิจนาเห็นชัดตามความจริง อ, อย่างนี้อยากไปถอย พูดธรรมะมันก็ถ้ามีข้อเกียบเกียบเทียบมันมักจะลืมเราลืมข้อเกี่ยวเทียบลเลยไปเทียบพูดลงไปมันพูดไปดับไปพร้อมไปพร้อมแต่ว่าไอที่นิ้ไม่ทรพูดไปเข้ามาทิงจิตมีเป็นข้อเรียบเทียบที่เราพูดตะี้แล้วตรวจริงคื อ, อะไรก็เลยลืมไปเทียบพูดทั่งลำมกขนิานอยู่ที่นีทิ้งจิกำหนดลงไปที่ี่ พิจณาสิ <io> ่งท <tr ust worry> ี่ปกปิดกำบังขันทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงให้งิทธิ์เรากวนเอาสิ่งนี้เขมาปิดตนเรื่ออุปาทานความมิจมั่นถึงมั่นนันจึงต้องพิจรณาให้เห็นชัดเพิจารณาแล้วพิจนาเล่าจนํานิํานาเห็นแจ้งเห็นจีนแล้วมันปล่อยวางมันเองนี่ก็ ผู้รประสริต่ะได้อยู่ที่ในหญ่มนุษที่จะมาความเกิดคือเราเนี่เป็นตัวภบประชาติคือพื้นที่ทั้งนึงความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กําลังท้าเชิญกันอยู่แบกถามกันอยู่นี้คือพพคือชาติมันเดินมาจากตรนมาถึงที่นี่เรือนร้อยแห่้งแต่เดินมาด้วยพภพชาติ มาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวพบตัวชาติมาหยุดอีอู่ทิ้่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกผมก็ก้าวต่อไปอีกไปถือพบใหม่อนะยิ่งเครื่องยืนยันกันีิ่งย่แล้วอยากเมื่ออยากทราบเนี่ยก็ให้พิจาณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความเห็นจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์ สมาธิมีความละเอียดแม่นหนามันคงเพิงไรยิ่งเห็นทักเห็นระหว่างขันกับจิตว่าเป็นคนละอยา่างร่างกายกรับจิตเป็นคนล ะ, ยละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชดัดเห็นได้ชดัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องผัวพันมันเคยยึดมั่นผีมั น, ถ, มนถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็นความสืบต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไป อนือมากข้างนอกข้างในก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านผ่านผ่านพตักออกเรื่ักออกเรื่อยผลดีท่านมันก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสีย้ยจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันแต่ไม่ใช่ขัน เป็นความสว่างกระจ่างเที่ยสง่าผ่าเผยอยู่โดยธรรทางของจิตเองขันมันก็เป็นขันนั้งมันหนะีเป็นเหตุให้ทราบเรื่องพบเรื่องทราบของตนได้ชัดมันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในพบน้าพบละเอียดขนาดไหนมันก็บก่งไปในจิตคือประเภทนี้จะต้องประเกิดในพบนั้นพบนี้มันรู้อี่เหลือประเภทนั้นทําให้เกิดในพบนั้นที่เหลือประเภทนี้ทำให้เกิดในพบนี้ อิเล็กต์ใหา่ๆทำให้เกิดในภพใหญ่อิเล็กต์ละเอียดทำให้เกิดในพบละเอียดนีก่นก็รู้พบใดก็ตามก็คือสมมุติไป ต, ตั้งพบใดความทุกต้องมีตามขั้นแห่งภพหรือตามขั้นแห่งกลุ่มขอนไม่มากก็ น, อน้อยมันชาดเดินะนะจนกระทั่งตัดขาดตรงนี้หนึ่ทําลายวิชาตัดใจขที่เป็นตัวภพบหญ่แท้จริงออกจากใ จ, น, จ, ออก จ, กใจนี่หรือว่าแต่ความมือสึกดลด้วนๆไม่มีอะไรเป็นพบเป็นชา หายสงสัยคราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบพบก่อชาติไหนได้มาถึงยังขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันมากหมดอนาคตไม่มีเรื่องพบเรื่องชาติหมดแล้วในอนาคตมีเฉพาะพบชาติในปัจจุบันซึ่งคลองตัวอย่างีแล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปทานเพราะอํานาจของกติสัญญาศรัทธาความเพียรมีรู้ชัดอย่างนี้เอง ไ่หาลูกที่ไหนสันที่พี่โ ก, กบอกพระเจ้าไม่สรงผูกค่ะนี่อยู่กับทุกคนตั้งนักผู้ปฏิบัติเอาให้ดีพระพุทธเ้าครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันที่เลกกเ ะ, เเ ก, ก, ะ, ะเล ก, ก็เป็นประเภทเดียวกันนักเครื่องทหารทหารทีเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคําสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบขร้นพุทธการไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความท่าเทียเ น, นเดียวกัน ขีเล็เป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้ขี้เล็กไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้ขี้เล็กมาโดยลําดับอีแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบความหรือแก้ขี้เล็กทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทํำไม่เพราะไม่มีอะไรที่จะมาขีดกั้นรับตรงนี้ทานไม่ให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบทำ ได้ถึงมรรคผู้ผ่านนอกจากทุกข์กาะจมูไทยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นจึง ต, ต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อไรมรรคมีกําลังมากเพื่อนไรตัดจิตเดช ส, สัญหาซะว่าจริงจริก่อให้เกิดทุกข์ได้มาก น, น, น, น้อยเพื่อไรนิโรธก็สแสดงตัวขึ้นมาสแสดงตัวขึ้นม า, นนมาคือดับทุกข์ไปไเรื่อยๆเพราะอานาจของมรรค ไม่ใช่นิโธ ร, รธทำหน้าที่เองนะเรื่องของมาเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหนา้าที่เองตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาหรือความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นผู้เที่ยวก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสด า, ศ า, ศาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกกล้องตั้งแต่ความเป็นศาสดราสองโลกท่านจึงแยกแยะคอามจริงตาม ขั้นตามภูมิตรงนี้ทุกมุแต่เราอยากเข้าใจว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องมันไปทํำนนี้แล้วจะไปต้องทํานั้นจะต้องทํานั้นยาไปกินอย่างนั้นผิดทั้งเพย์เดีวยวทุกมันเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรหนักปัญญาขึ้นแล้วอืวสิ่งที่สําคัญมั่นหมายว่าทุกเป็นนั่นทุกเป็นอย่างนี้ น, นั่นคือตัวทุกข์ไทยปัญญาคิดค้นตามมันหนักสัจะทํามันทํางานเพราะอะไร นี่เป็นความถูกต้องใ น, นหลักธรรมชาติเป็นอย่าี้ทุกข์มันก็ดับไปเองอ่านิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกรอบตัวแล้วนิยมิที่กำหนดให้รู้พบรู้ชาติอะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในภพชาติเดียวนี้เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้พ้องเกี่ยว พบน้อยประาไม่ใช่ผู้อื่ในใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวดวงรู้อยู่นี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงตัวเองแล้วถึงจะจาได้ไหมไ ก, ก็ตามพบค่าต่างๆนั้นแหะมันชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยตัวการคือนกักท่องเที่ยวปาให้เกิดใจติดตาไมันอยู่ไม่ถอในต่อจนมาังถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ที่มา ทรงตัวอยู่เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปเอาแก้ให้มันเสียเหล่านี้อย่าใหมันเหลือมาให้มันก้าวต่อไปพบท่าขอยึดติดกันเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งสมมติภายในกิตใจคือกิเรศประเภทต่างๆมีวิชาเป็นต้นลองให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายไม้อยู่ไหนอยู่เถอะโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่กระยุ่งจิตเป็นจิตจิตพอ พอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมุทรนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลืเอเหลือธรรมชาติความมุ่สุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมาังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนานะอืจิตพระกินาศท่านไม่มีเรื่องเวทนาสุขเวทนาก็ไม่มีทุกเวทนาก็ไม่มีมมอุเบกขาก็ไม่มี ในจิตของพระพิณาสุไม่ว่าองค์ใดเวท น, นาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเอไม่ใช่บงังคับให้มันแทรกเป็นเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังฝุ่ขังซึ่งไม่ใช่เวท น, นาทั้งสามนี่อย่างใดอย่างนี้นั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับกิต ด, ดวงโดยสุ์นั่นแล้วนี่พานังปรมังฝุ่ขัง ไม่ใช่ทุกสุกขเวทนาเพราะนั้นจิตทําให้เราระลึกเรื่อยๆสะดุดใจเรื่อยๆที่มีพระเจ้าค้าประคุณท่านมาเที่พูดถึงเรื่องมาเที่วอยู่วันต่างวันต่างที่นี้เวลาหลังนี้เรานั่งฟังว่าพรพระพุทธเจ้าทั้งก็ะทรงโสวยทุกเวนาไหวโอ้โหสะดุดปังเลยเใช่ไหมถ้าเป็นท้าหนึ่งผาน้อยแล้วโตกว่าอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเที่ยวอืม จะเห็นได้เนี่ยเป็นพระนรินสั่งรักสั่งพระนรินให้ลาดสังขาติเราประพักอ่อน้ราอ่อนเพรียเป็นทีนั่งหมักร่างกาติป็นั่งหมักร่างกายเทีราจะพักผ่อนอนุลาตสังคาติแล้นนึกแล้วบอกให้พระนรนไป ต, ตักน้ำน้ก็หายท่านพูดถึงเรื่องขันต่างหากน่ออนเทียรเรื่องขันอ่อนเพียท่านทราบความอ่อนเพรียท่านทราบทุกเวทนาในขัน ว่าไม่สามารถจะเดินสเสด็จต่อไปอีกได้ต่วงพักผ่อนแล้ก่อนขันมันอ่อนตัวอ่อนกําลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่าไม่ได้เศรื่อนีท่านจะมาะเศรือะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดแบบจะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมุติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้ถึงง่ากท่านสศรทุกขเวทนา นี่มันแค่ถูกปังเลยหัวใจเราเนีอแล้วนะก็งงนี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเจตนาตัวไหนเข้าไปเค ย, ยแทรกในกจิตนี้เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องยินกันแล้วมันสะดุดกระพาะจิตนี้มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเห็นอย่างชัดชัดภายในใจของเรามันมีเจทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจมันได้เลยเป็นอิจฉาอยู่โดยลําพัง โดยไม่ต้องประเสษตรไปสานไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพริฆนาสดดังพระอาจารย์ม่านท่านอืเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัตว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานนามองค์ยืนนิพพานบางองเดินนิพพานบางองนั่งนิพพานเล่ถาถึงจารทึนี้โลกทั้งหลายมีความทั้งหบนสงบน ส, สนเท่กันไปเป็นนั่งนั่งนั่งนิพพาน เดินนี้ผ่านได้ยังไงถ้าเป็นอย่างแบบร่องคลางอื้ออื้อยังไม่ได้สติสตางที่เมื่อทิ้งตัวที่ขนาดตกเกียยวลงไปนั่นมันจะเอาอะไรมารู้ ม, มันจะเอาอะไรม า, มาเดินตายนั่งตายยืนแต่ได้เพราะทุกเวทนาครอบนำหัวมันดีแล้วจะตายจะไม่มีสติสตังคนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดิน นั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังถ้าพิลาศท่านไม่ใช่คนประเภทใ น, นท่านเป็นท่าที่ท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทภูเวทนาจะเป็นถึ้งไหนก็อยู่ในขันหิตก็เหนืออยู่แล้วตลอดกายท่านาจะนิพพานในท่าใดตามมัตยสงท่านท่านนิพพานได้อย่างสะดวกสบาย ตามความถนัดของปิอสายท่านองค์นั่งนิพพานทั้งกว่านั่งเดินนิพพานักว่าเดินยืนนิพพานกว่ายืนได้สบายสบาเพราะไม่มีอะไรนามาคับจิตใจของท่านได้แน่มันถิดกันที่ตรงนี้มันปวดเมื่จิตมันเข้ามันเข้าใจอยู่างนี้ครับอย่างชัดเจนมันจะไม่สรุปได้อย่างไงเพราะ เรางงโง่ขนาดเราี้เรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่มทำายจิแน่แต่นิดไม่เคยปักมันเป็ น, นอยู่ตามความคิดของมันเท่านั้นมากน้อยมันก็เป็นตามความคิดก็รู้อยู่ แ, แค่ชถึงั้นแะล้วเรทนาไหนมามาครอบงำพอให้ใช้เสวยมีนาทมันท่านเล่าสามตามอาการของขันของภู ม, มิทตตัอื์ อนุโลมลาดทั้งคาที่เราเหนื่อยเราจะพักคําว่าเหนื่อยกูมาธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกาลังอนุโลมลาดทั้งคาจีให้ขันนี้มันพักคุณยังงาขันนี้มันต้องการน้ําอนุโลมไปตากน้ำมาให้เราดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ําไม่ใช่ตถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมด ไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองเบริสุทธิ์นัน้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชอว่าสมมุติแล้วเนี้ยจะอยู่ในขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามสถาคตแค่อย่างแท้จริง น, นั้นไม่สนใจกับอะไรอคือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาติ น, น, นี่ความจริงเป็นอย่างนั้นเห็นประจากเราไม่มีความรู้ความฉลาดหลักเหลมก็ตามแต่มันก็ชาติพันธุ์จใิตใจเรอเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูด เวลาตายเป็นกราณฑรแล้วเราตายคนเดียวก็สะดวกสบายดีตายตามพัธาศัยของเราเวลาจะตายหัวสูกขมมรุขมิ้งเหนือภูเขาําไหมที่เป็นความสะดวกสบายตามพิธี ส, สายสนั้นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดคือไม่หวังจะพึ่งใครแม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมันได้อย่างไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างไรชาติถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะร่วมจมเพราะความตายไปของเราเรามันแน่ขนาดนั้น จะให้จะตายอะก็สิ้หายไม่มีมันจริงทุก